พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่หกโดยหลวงพ่ออินทาวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าทรับภายนอกทรับภายใน วันนี้เป็นวันที่สิสองพฤศจิกายนพุทธศักราช25งพห้าเป็นวันขึ้น10บค่าเดือนสิสองอีกห้าวันเป็นวันหมดเขตกรถินณนะคณะสทาญาิโยมถึงเดือนสิบสองเพนแหละอันนี้เพียงสิบค่าอีกห้าวันก็เป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือน12บแปลว่าหมดเขตกรถิน่น วันนี้ก็ตอนบ่ายก็คงจะได้ไปชมเพลิงแม่ตู่บรรณาครังที่มรณะภาพที่มรณะไปเมื่อไม่กี่วันวันนี้ตอนบ่ายคงจะไปชมเพลิงกันนี่แหละชีวิตแต่ผู้เท่าือใส่บาตรทุกวี่ทุกวันนะใส่บาตรตั้งอกตั้งใจจริงๆใส่บาตรด้วยความใส่ใจตั้งใจจริง แม่ออกเท่าแก่ส่งที่เป็นภูมีรถรับใช้รับส่งพี่น้องประชาชนแล้วก็รับใช้วัดของเราครูบาอาจารย์จะไปคารวะที่ไหนนกันี่นอาศัยรถของเท่าแก่ส่งรถบัสใหญ่หลายคันให้ความเกือ้อกูลอุปถัมภ์วัดของเรามาโดยตลอดลบัดนี้ก็ ชีวิตสังขารงโรยไปตามอายุสังขารไม่รู้จะหวาดยังไงนะขนาดลวงพ่อก็ยังเป็นหวัดและอีกไม่รู้กี่วันเหมือนกันชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเก็บหอมรอมริบสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดของอย่างอื่น เราก็สะแสวงหาอย่างที่ลุงพ่อเคยพูดเคยกล่าวอย่าให้ขาดตกบกพร่องในการดำรงชีพอย่าให้เป็นที่ตำหนิติชินนินทาในชุมชนสังคมในกลุ่มของพวกเราให้เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นผู้ไฝในการส่สแสวงหาทรัพย์ภายนอกอย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่ทรัพย์ภายในคือศีลธรรมก็อย่าให้ขาดตกบกพร่อ ง, อรรอกกองเช่นเดียวกัน ให้ไปด้วยกันเพราะว่าอาหารกายก็คือปัจจัยข่าวน้ําโภชนาอาหารแต่ว่าปจัจจัยศีลอาหารของร่างกายแต่อาหารใจก็คือศีลธรรมบุญกุศลพวกเราอยาขาดตุกปกพร่องทั้งสองฝ่ายทั้งอาหารกายด้วยทั้งอาหารใจด้วยนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าต่างว่าได้แต่อาหารใจ อย่างเดียวใช่เราต้องมาเป็นนักพรตนักบวชอย่างหลวงพ่อเนี่ย เ, เลงเล่งอาหารใจอย่างเดียวไม่ต้องอคิดเรื่องอาหารทางร่างกายไม่ต้องหวังล่ำหวังรวยไม่ต้องหวังปัจจัยสี่มีแต่มานั่งภาวนาเนี่ยอย่างพวกเราท่นทานทั้งหลายที่มาอยู่ในวัดมาอยู่ในวัดหรืออยากจะไปเป็นเศรษฐีอยากจะรวยเงินมันผิดที่ผิดทาง เ, าเราเป็นนักพรตนักบวช เราก็ต้องสันโดดตามมีตามเกิดเกิดขึ้นมาอย่างไงเราต้องใช้อย่างนั้นต้องพยายามรู้ใจของตนเองเพราะเหตุไรเพราะเรามาเป็นนักบวชเมื่อเราเป็นนักบวชก็ไปสสยแสไปหาขอคนนั้นขอคนนี้บรบกวนคนนั้นคนนี้อย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะเหตุไรเพราะตัวเองเป็นนักบวช ในเมื่อเป็นนักบวชก็ต้องอยู่แบบนักบวชมีอะไรก็ใช้มีอะไรก็รกฉันเราเล่งอาหารใจอย่างเดียวเราภาวนาแต่ทางว่าเราเป็นฆราวาสญาติโยมเราจะไป น, นั่งซื่อบือ้ออยู่เฉยเฉยไม่ทําการทํางานจะให้มันเงินคําทรัพสมบัติหลังไหลเข้ามาหาตัวเองเฉลยมันก็ไม่ทุกข์เพราะเราเป็นฆราวาสเราต้องมีลูกมีหลานมีวงศาคณาญาติ มีญาติมิตรสหายเราก็ต้องส่องแสวงหาทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่มาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงวงสงสาคณญาติอย่าให้ขาดตกบกพ่องอันนี้ก็คือหน้าที่เมื่อเราเป็นคราวาัตแต่คราวาัตต้องทําเอาได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าพวกเรามีะสะสะแต่ส่อแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวการส่องแสวงหาทรัพย์ที่เลิศประเสริฐที่สุดมีหน้ามีตาในชุมชนสังคม เป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายคนทั้งหลายยกย่องแต่เราไม่ได้มุ่งมั่นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมไม่ได้มุ่งมั่นเรื่องทานศีลภาวนาในเมื่อโค้งสุดท้ายจิตใจของเราก็ ว, าว้าเวอ้างว้างเงียมเหงาสืมเศร้าเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้สังสมคุณงามความดีมีแต่ส่ะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียว แต่พอมาทึกบุญกุศลเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเลยไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าว่าข้าพเจ้าตายไปในขณะนี้ข้าพเจ้ามีบุญไหมเนี่ยข้าพเจ้ามีบุญกุศลอะไรอย่างที่จะเข้ามาสู่จิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นมองดูแล้วยังไม่เป็นที่อุ่นใจเลยในการสั่งสมคุณงามความดีของข้าพเจ้าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้อง ได้คิดทั้งสองอย่างคิดทั้งอา mith ภายนอกการส่อแสวงหาทรัพย์ภายนอกการส่อแสวงหาทรัพย์ภายในเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาทั้งสองอย่างอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในโลกียับทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายใน ซัพภายนอกคืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดซัพภายในก็คือหลวงพ่อได้พูดให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังนี่แหละเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้ศึกษาศึกษาทั้ ง, องสองด้านทั้งสองฝ่ายทั้งซัพบภายนอกทั้งซัพบภายในถ้าพวกเราได้ทั้งซับภายนอกซัพบภายในแล้วไปอยู่ณสถานที่ใด อบอุ่นอ่าจิตใจของเราอบอุ่นจิตใจของเรามีหลักจิตใจของเราได้รับความอ่ายอมรับลึกๆในใจของเราคนึกคิดขึ้นมาเมื่อเมื่อไหร่จิตใจจะไม่ว้าเหว่อ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าจิตใจเบิกบานเพราะอะไรเพราะเราได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วดังนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะคณะสัตยา ญ, ญาณโยมทุกคน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวย้ำเตือนอีกเพื่อให้พวกเราสํานึกขนาดไม่แต่บอกได้กล่าวเอาไวนะ้บางทีก็เผลอเลอะไปได้ง่ายๆขนาดบอกย้ำกล่าวอย่างนี้ก็ยังบางทีบางทีก็ยังเบื่อหูอีกต่างหากแต่ตื่ยังไงกนะ็เถอะนะคนที่ยังไม่เคยมาก็ได้ยิน ผู้ที่เดมาฟังอยู่แล้วก็เออเอาเบื่อหูก็ธรรมดานะทั้งเบื่อทั้งอิ่มเป็นของธรรมดาบางทีเราเบื่อไปแล้วบางทีแล้วก็ยังหิวอีกค่ะกินอาหารอิอ่มพอแรงแล้วละ่ะจะไม่กินอีกแล้วแต่พอมาทานอีกข้าวหน้าเออข้าวทาวะอย่างนั้นก็ยังมีอันนี้ก็เหมือนกันนะาการได้ยินได้ฟังครั้งนี้ก็เออมันไม่สบกับอารมณ์ก็เบื่อเบื่อไปแต่บางครัง้งเออใช่ถูกต้องวะ คนเราเราควรปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับหลวงพอ่อหลวงพ่อเคยพบเคยเจอมาแล้วในการเป็นอยู่ของหลวงพอ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจึงแนะนำบอกกล่าวคณะจตทายาติโยมลูกหลานทุกคนให้ได้รับผู้เรียนรู้ศึกษาหาแนวทางสำหรับตัวเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วนั่นลหละโคงสุดท้ายนั่นแหละ ใครประมาทมากประมาทน้อยใครได้กําไรมากกาไรน้อยใครขาดทุนมากขาดขึ้นทุนน้อยโค้งสุดท้ายนะ่เป็นที่วัดกันน ะ, เ, ะเดี๋ยวนี้ใครว่าเราส ะ, สะแซงหาอยู่การต่างคนก็ต่างสะแซงหาบางคนก็ขี้เกียจไม่เชื่ออีกต่างหากแต่บางคนก็ เ, เชื่อปฏิบัติตามแต่บางคนก็ ทั้งปฏิบัติไปด้วยทั้งทะเลทรายไปด้วยก็มีเพราะนานาจิตต่างนาน า, นาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวดังขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสรุปแล้วก็คือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมดีได้ทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างที่หลักธรรมความสอนพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่ท่านได้กล่าวไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอน แน่นอนเอาคำอะไรจึงมายืนยันะแน่นอนให้พวกเราปฏิบัติถ้าพวกเราจับไฟต้องร้อนแน่นอนพวกเราดื่มน้ำน้าแข็งต้องเย็นแน่นอนถ้าพวกเราดื่มน้ำร้อนต้องร้อนแน่นอนนี่เปนคาว่าแน่นอนคำนี่ก็คืออะไรขยันขนาดนั้นละ่ะพราะนั้นทาบาปจะเป็นบุญแน่จะเป็นบุญได้ยังไง ถ้าล้ำทำบาปบาปแน่นอนถ้าพวกท่านทั้งหลายทำบุญได้บุญแน่นอนถ้าพวกเราสวงหาความรู้ต้องได้ความรู้แน่นอนถ้าพวกท่านทำความชั่วได้ความชั่วแน่นอนเนี่ยมันตึงยืนยั น, ย น, นยว่าแน่นอนไงเพราะเราจะไปทางไหนไปใ น, ในทางเทศแน่นอนทางไหนฮะเป็นหน้าที่ของพวกพวกเราจะต้องศึกษาละท่นนี้นะตอนนี้ไปรับพรอนรุโมทนาให้พร